เด็กตายสตอถึงอยู่ไม่สวยแต่ไม่เจ้าชูกก็แล้วกันรักใครรักจริงไม่คิดลอกฝันถ้าไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรอยากให้เธอมองให้ถึงข้างในว่าภายในใจนั้นมันใสซื่อไม่เคยหลอกใครให้เป็นกระบือ้อเธอลองจับมือแล้วเดินไปด้วยกัน จะพาพี่ลองไห้ ที